เสียงอ่านหนังสือร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตรเจริญพระชนสา100รปีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3ตุลาคมพุทธศักราช2556นับเป็นมหามงคลสมัยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้แสดงความสำนึกในพระเมตตาและพระบารมีธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรที่ทรงมีต่อพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนเป็นอนเนกประการทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในพระจริยาวัรและพระคุณธรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้น้อมนำหลักธรรมจากหนังสือพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคำสอนต่างๆและแบบอย่างอันดีงามจากพระจริยาวัดหลักปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันสังวรไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุขความสุขสงบในจิตใจทั้งแก่บุคคลสังคมและประเทศชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันและสันติ อีกทั้งยังเป็นการจโลงพระบวรพระพุทธศาสนาให้ทํารงสถาพรสืบไปตัวเลข100มาจากต้องการจะล้ อ, อ ก, กับพระชนสาของสมเด็จพระสังฆราชครบ100รปีในเดือนตุลาคมพุทธศักราช5 5 6จัดาจะทำเป็นหนังสือของกิจกรรมจัดหาทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพระหลพะยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดพระชาติติภูมิของสมเด็จพระสังฆราชคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่ายและงดงามชวนให้น้อมนาเข้ามาสู่จิตใจร้อยคำสอนที่รวบรวมมาแต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้นสั้นไม่เกินหนึ่งหน้าจัดแบ่งเป็นแปดหมวดว่าด้วยชีวิตคนคนดีกรรม ความสุขความดีเมตตาและชัยชนะ